ทุกคนลงเรือลำเดียวกันเพราะฉะนั้นต้องทําความคิดความเห็นให้มันตรงกันความคิดความเห็นที่มันจะตรงกันได้เราก็ถือเอาธรรมวินัยเป็นหลักถ้าไม่เอาธรรมวิวนัยเป็นหลักแล้ว เรื่องความคิดความเห็นนี่จะไม่ตรงกันเลยตรงกันได้เป็นบางสิ่งบางอย่างบางอย่างก็ไม่ตรงอย่างนี้เลยเมื่อเราต่างคนต่างก็โน้มรับเอาพระธรรมคำสอนของพระเจ้าในไปปฏิบัติตามโน้มรับเอาพระวินัยที่พระเจ้าทรงบัญญัติไว้ไปปฏิบัติตามให้เต็มความสามารถของตน ออผู้ใดอยู่ในเพศไหนมันก็มีวินัยข้อบังคับกายวาจาอยู่ทุกเพศทุกภูมิออตลอดถึงเพศคารวะอย่างนี้นะก็มีวินัยของคารวะแต่ว่าส่วนมากมันไม่ค่อยน้อมรับเอาไปปฏิบัติตามเอวินัยของคารวะก็ดี ก็อะไรแล้ววินัยของครวัตก็สินห้าวินัยของผู้นุ่งขาวห่มขาวก็สินแปดวินัยของสามันเน็นก็สินสิบกับเสขียวัตอีกเจ็ดสิบห้าข้อวินัยของพระภิกษุสงฆ์ก็พระปาสีโมกหรือว่า สิกขาบท227ข้อกับเบตเะเลตอีกอซึ่งเกี่ยวกับอาบัตทุกกฎบั้งทุกภาสิตบัางไม่ได้นำมาสวดทุกกึ่งเดือนอันหมนี่มีอยู่ส อ, องศึกษาให้รู้ให้เข้าใจวินัยเหล่านี้แล้วก็พยายามปฏิบัติตาม โดยความเต็มใจจริงๆนั่นแี่ยเพราะว่าการที่บุคคลเราจะไม่ถึงซึ่งความสุขความเจริญใดๆในโลกนี้ก็ดีโลกหน้าก็ดีก็เพราะเหตุว่าไม่ได้สำรวมในวินัยไม่ได้ประพฤติตนให้เป็นธรรมนี้แหละ มันเป็นเหตุอนะ่ะเมื่อไม่เคารพต่อวินัยแล้วมันก็ไปทําบาปกว่านี้นน เ, นเพราะถ้าหาว่าทํานอกวินัยออกไปแล้วเป็นบาปนั่นเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นถ้าประพฤติกายวาจายอยู่ในกรอบแห่งวินัยนี่ของตนของตนแล้วเนี่ยผู้นั้นไม่ได้ทําบาป เมื่อไ ม, ไม่เมื่อไม่มีบาปติดตัวไปแล้วถ้ายังเกิดอีกอยู่มันก็เกิดดีนี่นะมีอายุวันนะสุขภรปฏิพานธนสารสมบัติอะไรที่พร้อมไปหมดอันนี้สงแห่งความดีที่ตนกระทํอบาปกรรมไม่ได้ไม่ได้สร้างมันก็ไม่ได้ไปทำลายความสุขของคููนั้น เพราะคนนั้นทำแต่ความดี <c oughs> <c oughs> นั่นแหละความเห็นเหล่านี้นะต้องให้มันตรงกันสำหรับชาวพุทธทั้งหลายนะต้องพยายามทำความคิดความเห็นนี้ให้ตรงกันก็จึงจะชื่อว่าเป็นพุทธบริษัทเดียวกันคำว่าบริษัทสี่นี่ ก็หมายเอาภิกษุสามนเณรทายกทา ย, ยิกานี่รวมเข้าก็เป็นสี่เราสี่เรานี่แหละต้องลงเรือราเดียวกันคือหมายความว่าเราเพียรพยายามสั่งสมบุญกุศลอย่างเดียวกันเพียรพยายามละบาปอย่างเดียวกัน ไม่ใช่แตกต่างกันแต่ว่ามันก็แตกต่างอยู่ว่างแหละอันบาปของพระภิกษุมันก็มี อ, อส่วนหนึ่งบาปของสามเณรมันมีอยู่ส่วนหนึ่งบาปของ อ, อทายกทายิกามันก็มีอยู่ส่วนหนึ่งแต่ว่าบาปที่เป็นหลักแท้ๆหลักใหญ่แท้ๆก็มีอยู่ห้าประการได้แก่ สาสัตว์ลักท ร, รัพย์ประพฤติผิดในกามกาม่าวมุสาวาตดื่มสุราเมรยัยกัญชายาฝิ่นเฮโร อ, อีนบุหรี่อันนี้เป็นหลักของบาปหลักไงแท้ๆอันนี้นะดันัน้นทุกเพศทุกคนทุกชั้นทุกภูมิต้องเป็นผู้เว้นจากบาปเหล่านี้ให้ไดเ้เมื่อเว้นจากบาป เหล่านี้ได้แล้วก็เว้นจากบาปส่วนอื่นๆซึ่งเป็นข้อบัญญัติประกอบประกอบกับบาปห้าอย่างนี่แหละอมันมีอยู่นี้ข้อบัญญัติที่พระเจ้าทรงบัญญัติไว้ <c oughs> เช่นบัญญัติประกอบเกี่ยวกับการฆ่าสัตว์หมูนี้นะอฆ่าสัตว์นี่ ก็เส้นฆ่าสัตว์มนุษย์ถ้าแกล้งฆ่าสัตว์มนุษย์ให้ตายออย่างก็เป็นโทษหนักขาดจากพอหมพิกซุกอย่างนี้เลยถ้าฆ่าสัตว์อมนุษย์เช่นพวกหน้าพวกครุฑพวกอสุรกายอะไรพวกนี้ยเป็นนาบัติทุลใจอถ้าฆ่าสัตว์ดิรานธรรมดานี่เป็นนาบัติปาจิตตี เลือกฆ่าสัตว์ตึงก็มีโทษสดสันกันลงมาอย่างนี้แหละเรนี้ถ้าหากว่าไม่ได้เจตนาไม่เห็นมันแล้วไปเหยียบมันตายบอ่อะไรอย่างนี้นะเรียกว่าทำทาอะไรลงไปแล้วสัตว์นั้นตายโดยไม่ได้เจตนาไม่ไม่เห็นไม่รู้่างนี้มันก็ไม่เป็นบาปเป็นโทษไม่ว่าใครใครไม่ว่าเพศไหนเหมือนกันหมด สิ่งข้อนี้นะไปอย่างนั้นเสริพุทธบัญญัติถ้าไม่ขอสิ่งของจากญาติยโยมชาวบ้านที่เขาไม่ใช่ญาติพี่น้องกันไม่เขาไม่ได้ประวรณาไว้หมู่นี้นะก็เป็นบัญญัติอนุโลมเข้ากับอทินาทานนั่นแหละไปอย่างนั้นต้องให้เข้าใจไปอย่ฉะนั้นถึงว่าบาปใหญ่แท้ๆหลัก หลักของบาปใหญ่แท้ๆมันมีอยู่ห้าประการนั่นเองพุทธรัญญาติทั้งหลายก็ออกมาจากหลักห้าประการนั้นดังนั้นผู้ที่เป็นชาวพุทธทั้งหลายเนี่ยจะเป็นนักบวชก็ตามเป็นกครื่งหัดก็ตามก็ต้องยินดีน้อมรับเอาศินอันนี้เอาวินัยนี้ไปปฏิบัติตามไม่ล่วงเกินทางกายทางวาจาเลย ถวายชีวิตบูชาพระวินยัยพุทธบัญญัติต่างๆเหล่านี้ด้วยความเต็มใจจริงๆเราถวายชีวิตบูชาคือปฏิบัติตามนี่นะแล้วก็ไม่มันดีกว่าที่เราจะปล่อยให้มันแก่เฉีบตายไปเปลาๆดีกว่าที่ปล่อยให้กายวาจาประพฤติเหลวไหลไปทำบาป ทำบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตวอื่นเป็นบาปเป็นกรรมเป็นเวรติดตัวไปะจะได้สวยทุกข์ทนทรมานไปในการข้างหน้านี่ผู้ที่ทำบาปก็ตายเหมือนกันผู้ไม่ทำบาปก็ตายเหมือนกันแล้วจะเอาทางไหน <c oughs> <c oughs> นั่นแหละผู้มีปัญญามันก็บอกว่าไม่ทำบาปนั่นแหละดี เพราะว่าตายแล้วมันจะไม่ได้ไปสู่ทุกข์มันจะไม่ได้สวยทุกข์เป็นผลบุคคลทำบาปก็แก่เจ็บตายเหมือนกันแต่ว่าผลที่จะได้รับต่อไปเบื้องหน้าก็คือความทุกข์เพราะบาปมันยึติดตามสนองอานวยความทุกข์ให้ต่อไปนี่มันเป็นอย่างนี้อันชีวิตของมนุษย์เรานี่นะไม่ใช่มันเกิดมาลอย มันมีเหตุมีปัจจัยนามาเกิดขึ้นแต่คนธรรมดาสามัญนี่ไม่สามารถที่จะรู้เหตุปัจจัยแห่งชีวิตนี้ได้มีแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นแหละพระองค์ทรงรู้เหตุปัจจัยแห่งชีวิตนี้ได้ตามความเป็นจริงและจึงได้ น, นำม า, าแสดงแนะ น, นำสั่งสอนให้ พุทธบริษัททั้งหลายได้ฟังได้เข้าใจสำหรับผู้มีปัญญาผู้มีบุญวาสนาได้ฟังแล้วก็เข้าใจได้ทันทีว่าบาปเป็นอย่างไรบุญเป็นอย่างไรเนี่ยเข้าใจได้ชัดเลยเมื่อเข้าใจได้อย่างนั้นแล้วเพื่อนก็ไม่ทำบาปแล้ววันี้เพื่อนก็ทาแต่บุญน่ะคนมีปัญญาคนฉลาดถึงเป็นยางไ น, น คนไม่ฉลาดแล้วคนบุญน้อยแนะ่ะกีเลสหนาเนี่ยอท่านแสดงธรรมให้ฟังนี่ไม่รู้ไม่คี้เลยะไม่สนใจที่จะคิดจะพิจารณาตามเลยเพราะว่ากิเลสมันหนามันปิดบังปัญญาไว้หมดอคิดอ่านอะไรก็ไม่ออก <c oughs> เพื่อนแสดงเหตุผลอะไรให้ฟังก็ไม่เข้าใจเป็นอย่างนี้คนบุญน้อยคนปัญญาน้อย คนกิเลสมากเหตุเค่นั้นแหละพระพุทธเจ้าจึงเปรียบคนในโลกนี้ไว้เหมือนกับดอกบัวสี่เหล่านั่นเองนะผู้ที่ไม่รู้แจ้งในบาปบุญคนโทษได้นี่พระองค์เจ้าเปรียบไว้เหมือนกับหน่อบัวที่มันที่มันงอกออกมาจากเงล่ของมันใหม่ๆนั่นแหละ มันมีเปลือกตลมหุ้มห่ออยู่คอยแต่จะเป็นอาหารของเต่าของปลาอยู่อย่างนั้นไม่แน่นอนนี่พวกจำพวกที่ไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษนี่ก็หมายความว่าพวกที่ไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษนี่มันก็มีแต่จะนำตัวเองไปทำความชั่ว ให้มากขึ้นโดยลำดับนั่นเลยอันซึ่งมันจะมีปัญญาทาความดีให้เกิดมีแก่ตนนันนาวะไดน้อยเต็มทีเป็นอย่างนั้นพวกนี้ท่านเรียกว่าอาภัพภพะบุคคลแปลว่าบุคคลุกไม่มีวาสนาที่จะได้มรด้ผลที่จะได้ไปสวรรค์นิพพาน กับเพื่อนผู้มีบุญญาบารมีแก่กล้านั่นได้แ น, น่ในว่าเป็นคนเป็นคนอาภัพก็ว่าได้อั น, นเป็นอย่างนั้นจะาพวกที่สองเปรียบเหมือนดังหนอบัวที่มันโผล่ขึ้นจากเปลือกสมมาแล้วแต่มันยังจมอยู่ในน้ำนั่นอั น, นี้ <c oughs> เดี๋ยวก็หลายวันกลัวมันจะโผล่ขึ้นมาค้นจากน้ำได้นั่นนะอันนี้ก็เทียบได้ครับบุคคลยมพวกมีบุญวัรสนาบรารมีพอสมควรแต่เมื่อมาได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนี่ไม่สามารถที่จะบรรลุมรรคธรรมวิเศษได้ในขณะที่ฟังธรรมก็รู้ตัวได้ว่าตนนั้นมีบุญยังน้อยอยู่ จำเป็นตนจะต้องสร้างบุญสร้างกุศลให้จเจริญมากๆขึ้นไปโดยลำดับนี่คนจะพวกนี้เนะี่ยเมื่อได้ฟังทําแล้วต่อจากนั้นก็ได้ขมักขม้นทํากุศลคุณงามความดีพยายามเว้นจากกรรมอันชั่วต่างๆนี่เทียบได้กับบุคคลผูท้ที่มาได้ฟังทําคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วอย่างสมัยทุกวันนี้ก็ดีแหละ ได้ศรัทธาเรื่อมไสรู้แนวทางปฏิบัติแล้วก็พากันลงมือปฏิบัติกันไปเรื่อยๆปฏิบัติอย่างไรมันก็ยังไม่ได้มักได้ผลอะไรเลยนี่จำพวกนี้นะเป็นอย่างนั้น <c oughs> จำพวกที่สามอันนี้เปียบเหมือนอย่างกอบัวที่มันงอกงามเจริญขึ้น มันใกล้จะได้ใกล้จะพ้นจากน้ำแล้วนี่ท่านเปรียบไว้เหมือนกับบุคคลบางจำพวกที่มีบุญวัดสนามบารมีแก่ก้ามากพอสมควรทีเดียว <c oughs> คนเหล่านี้นั้นพอได้ฟังธรรมะครสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ซึ่งพระ อ, องค์ทรงรแสดงใี้แจงเหตุผลต่างๆให้ฟังแล้วอย่างนี้จบคงนี่ก็สามารถได้บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษได้อจำพวกที่สามนะ น, นี่นะเ น, นียเหมือนเปียบเหมือนอย่างดอกบัวที่มันใกล้จะพ้นน้ําอยู่แล้วออทีประเภทที่สีเปียบอุปมาเหมือนอย่างดอกบัวที่พ้นจากน้ําแล้ว พอแต่จะรับแสงพระอาทิตย์เท่านั้นพอได้รับแสงพระอาทิตย์ก็บานทันทีเลยฮะคนจะพ่วงนี้เรียกว่าเป็นคนมีบุญวัฒนาบา ร, รมีแก่กล้า ม, มากทีเดียวแล้วก็เป็นคนมีชาวนาจิตไว้ที่สุดถ้าว่าเปรียบกับนักเรียนนักศึกษาอย่างนี้นะ กเกลียวกว่าเป็นนักศึกษาที่เด่นกว่าเพื่อนทั้งหมดสอบได้เปอร์เซ็นต์สูงเก้าสิบเก้าเปอร์เซนต์นู่นแหละหรือบางอย่างก็ร้อยเปอร์เซนต์ู่นแหละอเป็ น, นั้นเพราะว่าจำพวกที่สี่นี่เมื่อพระศาสดาทรงสแสดงธรรมบาดพระคาถาพระคาถาเดียวเท่านั้นนะจบลงถ่าได้บรรลุมรรค ทำวิเศษเลยเรียกว่าบรรลุอรหัตผลเลยทีเดียวเนี่ยจำพวกเนี้ยแต่ว่าลำดับนี้ก็ไม่ถูกหรอกต้องลำดับแต่จำพวกนี้ไปเป็นลำดับจำพวกที่หนึ่งไปจนถึงจำพวกที่สี่นั่นแต่ว่าก็คงไม่เป็นไรหรอกนี่คนเราแล้วมันมีนิสัยวาฒนบาบรามีมาก น้อยกลัวกันเป็นลำดับไปอย่างนี้แหละฉะนั้นทุกคนใน พ, พึ่งพาพิจารณาดูตนของตนว่าตนนั้นน่ะมีวุวิสัยวาสนาบารมีมากน้อยเพียงใดนี่อันเรื่องอย่างนี้นี่เป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่จะต้องพิจารณาตัวเองมันก็รู้ได้ตอนภาวนาแหละ การภาวนานั่นทำอย่างไรอย่างไ้จิตก็ไม่ลองอย่างนี้มันคอยจะจากเฉไปทางอื่นอยู่ภาวนายากแสนยากเพราะว่าจิตจะรวมลงไปข้างหนึ่งได้นี่ก็แทบแยก อันนี้เรียกว่ามันก็เปรียบกับบุคคลประเภทที่เอประเภทที่สามนั่นแหละประเภทที่หนึ่งนั้นท่านบอกอุคติตันโยผู้ที่ตัดสรูเร็วประเภทที่สองวิปปิติตันโยนี่แปลว่าพวกที่อตัดสรู ชาลงไปกัวพวกแรกนั้นหน่อยนึงพวกที่สามเนยยะบุคคลประเภทที่สามนี้แปลว่าพวกนี้จะต้องได้ปฏิบัติฝึกตนทรมานตนต้องฟังต้องสนใจในการฟังการเรียนการจำการประพฤติปฏิบัติทรมานตนไปให้เต็มที่ อินทรีย์จึงจะแก่กล้าขึ้นไปได้แต่ว่าประเภทที่สามนี่ผลสุดท้ายก็ได้บรรลุมรรคผลแต่ส่วนมากก็มักจะบรรลุมรรคขั้นต้นนั่นแหละขั้นที่สองนี่แหละนี่ใหพากันเข้าใจอันนี้ท่านเรียกว่าเนยยะอันที่ว่าพวกที่สี่นั่นปาระพรรมะ พวกนี้นั่นปฏิบัติอย่างไรอย่างไรก็ไม่สามารถบรรลุมรรคผลธรรมวิเศษได้ในชาตินี้แต่จะเป็นอุปนิสัยฝัดใจติดตามไปในชาติต่อไปเป็นอย่างนั้นจำพวกที่สี่นี่มันไม่แน่นอนเลยชีวิตบางทีก็อาจจะไปสู่อบัยฟุมั้งสี่เมื่อละโลกนี้ไปแล้ว บางทีก็ได้ไปเกิดสวรรค์หรือว่าได้เป็นมนุษย์อีกชีวิตไม่แน่นอนจริงคนจำพวกที่สี่เนี่ยเหมือนอย่างไอหน่นอบัวอย่างที่ว่ามานั่นแหละมันมีเปลือกต้มหุ่มอยู่บางทีก็พวกเต่าพวกปลาไปกัดไปกินเสียก็เลยงอกขึ้นไม่ได้อันนี้ก็เหมือนกันแหละคนประเภทที่สี่นี่บางทีก็ไปทำบาป ท, ทากรรมใส่ตัวเอง แล้วตายแล้วก็เลยไปตกนรกหมกไหม อ, อยู่ในอาบายภหมิเลยไม่มีโอกาสที่จะได้สั่งสมบุญกุศลความดีอะไรในการต่อไปได้นี่แหละเมื่อพ้นจากบาปจากกรรมอันนั้นมาแล้วเลยมาพบนักปราดบันริตเข้าท่านแนะนำชักจูงให้ทำความดีไปก็ได้ตั้งต้นทำความดีไป ก็จึงเป็นอุปบิขัยวาสนาบารมีสืบต่อไปนี่ประเภทที่สี่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแหละให้พึ่งพากันตรวจสำรวจกลวดกาดูเราจิตใจของตอนทุกคนทุกคนเมื่อรู้ว่าตนยังมีสีบารมียังอ่อนอยู่เนี่ยก็พยายามเข้าฝัหมักคัเม่นเข้าสำรวมตนเข้าไปให้ดี ก็ไม่ควรที่จะไปหวงร่างกายสังขาร น, นี่ไววเปล่าเปล่ากลัวแต่เจ็บปวดกลัวตั้งแต่เมื่อยละกลัวแต่ทุกขเวทนาแล้วก็ไม่อยากทำความเพียรแต่อย่างนี้นี่ได้ชื่อว่าเป็นคนไม่มีปัญญาแบบนั้นถ้าคนมีปัญญามันก็จะต้องคิดแหละ ว่าไอ้ตนอยู่ปเป่านั่นนะ่ะมันไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ตายหรือคนที่อยู่ปเปล่าไม่ต้องทําอะไรนั่นไม่ตายอย่างนั้นเหรอตายเนี่นั่นแหละอยู่ปเป่านั่นแนหะยิ่งจะตายไวปร่างกายอันนี้มันก็เหมือนกับเครื่องยนต์คงไข้เครื่องยนต์นต่างนี้ถ้าหากว่าไม่ไม่ได้สตาร์ทเครื่องไม่ได้ใช้างานไปบ้างอยี่ยเนี่ยมันเกิดสนิมแล้ว ราทานไม่ติดเลยใช้ไม่ได้เลยออันนี้เหมือนกันนะร่างกายของคนเรานี่ถ้าไม่ทํางานอะไรเลยอย่างเนี้ยเดี๋ยวก็อ่อนเพียบและเหี่ยใจลงไปก็ตายไปไวๆนั่นแหละมั น, นเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนยอย่าไปกลัวแต่เจ็บกลัวแต่ตายกลัวแต่เป็นอย่างโน้น อ, อย่างนี้ออแล้วไม่ทําความเพียรไม่ประโยยพยายามให้ ทำใจให้สงบระงับไม่พยายามอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นอย่างนี้นับว่าเป็นความประมาทเป็นความประมาทโดยแท้จริงผู้ไม่ประมาทแล้วก็อย่างว่าเนะี่ยเอา้ามันเจ็บอย่างนี้ก็เอาทุกนั่นแหละมาเป็นอารมณ์นี่แหละทุกในขันห้าเห็นไหมเมื่อไรเราถึงจะเบื่อนาย ยังจะมาพอใจอยู่ครับขันห่านี่หรือมันเจ็บอยู่อย่างนี้แหละมันเป็นทุกข์มันร้อนมันหนาวมันเป็นอะไรแปรผันวันไหรอยู่อย่างนี้แล้วยังจะมายินดีพอใจกับมันอยู่เหรือนี่ก็เอาทุกข์นั่นเป็นอารมณ์แล้วก็สอนใจตัวเองเข้าไปใจนี่เมื่อปัญญาสอนเข้าไปแล้วมันก็เห็นชอบที่มันก็เห็นแจ้งเมื่อเห็นแจ้งก็เบื่อหน่ายในทุกข์อะไรแบบนี้นะออ เมื่อมันเห็นว่ามันเป็นทุกข์เข้ามายึดมั่นอยู่ในขันห้านี่แหละเช่นนี้มันก็หัดาฟงวางขันห่านี้ลงไปเลื้อยไปอย่างนั้นเนี่ยภาวนาทีไรก็นึกฟงขันห่านี้แหละอย่าไปนึกอย่างอื่นสอนใจตัวเองให้ปล่อยให้วางขันห่านี้แล้วให้ใจสงบนิ่งพร้อมด้วยความรู้แจ้งเห็นจริงอยู่ นี่ภาวนาทีไรก็ให้กำหนดลงไปอย่างนี้เพราะว่าจิตใจมันยังยึดมั่นถือมั่นอยู่ในขันหานี่โดยที่ตนไม่รู้เลยนะไม่รู้ว่าจิตใจนี้มันยึดมั่นค้นเผื่อว่ามันรู้แจ้งว่าใจนี่มันยึดมั่นถือมั่นในขันห้าอยู่มันถึงเป็นทุกข์่างนี่มันพ้นแล้วมันพ้นจากความยึดถือแล้วถ้ามันยังยึดถืออยู่นี่มันไม่ค่อยรู้แจ้งเท่าไหร่หรอก แต่ว่าเราก็เดาเอาแหละเดาวว่าจิตนี่มันยังยึดถืออยู่เพราะว่ามันวันไหวอยู่นี้เนี่ยเรารู้เอาตรงนี้รู้ว่ารู้ได้ว่าจิตวันไหวอยู่นี่ถ้าจิตวันไหวอยู่นี่ก็แสดงว่าจิตยังยึดมั่นอยู่ในขันห้านี้อยู่ถ้าเห็นแจ้งชัดว่าจิตไม่วันไหวต่อทุกต่อสุขต่อความแปรปรวนของขันห่านี้แล้วอย่างนี้ มันก็รู้แจ้งได้เลยว่าจิตที่หลุดพ้นจากขันหานี้แล้วด้วยอำนาจแห่งปัญญาดังแสดงมาสมควรแก่เวลาขอยุติลงเพียงเท่านี้